นิสนเหล่านี้เนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เป็นอย่างดีเราเรารักษาเจตนาเหล่านี้บ่อยไหม น, นะวันวันหนึ่งเกิดกี่ครั้งแล้วถ้าเจตนาเจตนาศีลเจตสิกศีลเจตสิกศีนก็คืออะไรก็คืออโลพะอโทสะและอะโมหะเมื่อใดที่ใจไม่เป็นไปกับความโลภเมื่อใดใจไม่เป็นไปกับความโกรธเป็นไปกับสติสัมปชัญญะ เป็นไปกับเมตตาเป็นไปกับความไม่เบียดเบียนเป็นต้นใจเหล่านั้นเป็นไปกับเจตสิกสีลเนี่ยนะทั้งเจตนาทั้งเจตสิกศีนเหล่านั้นทำให้เกิดการสังวรทางกายวาจาและใจทำให้สังวรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้เป็นผู้ที่มีคันติเป็นผู้ที่ภาคเพียรพยายามเพื่อจะกาจัดบาปและอกุศลเนี่ย เป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาเนี่ยนะผู้ใดที่พยายามที่จะรักษาสุขภาพจิตอันนี้ให้ยาวและต่อเนื่องให้กุศลจิตเหล่านี้เกิดได้อย่างต่อเนื่องอันนี้คือสมบัติที่เรียกว่าศีลสมบัติที่เรียกว่าศีลศีลเหล่านี้นเนี่ยนะเราก็มาตั้งมาปรารภถามตัวเองดูว่าศีลเหล่านี้ที่เราตั้งใจเราสมาทาน ไม่ขาดเลยนี่นไม่ขาดเลยในใจนะไม่ขาดเลยเอาศีลานุสติก็คือระลึกถึงศีลเหล่านี้ว่าศีลเหล่านี้ไม่ขาดเลยนี่นะหรือว่าไล่ดูแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่เห็นมีอะไรบกพร่องเลยอันนี้รักษาข้อหรือรักษาศีลบางคนเนี่ยรักษาตัวเลขนะไม่ได้รักษาศีล ก็ดูสิหนึ่งสองสามสีห้าหนึ่งขั้นค่าก็ไม่ได้ค่ารักของใครก็ไม่ได้รักไม่ได้ไปผิดลูกเมียใครไม่ได้ไปอะไรใครไม่ได้ไปมมสารน้เมาก็ไม่ดื่มดูแต่ทีวีอย่างเดียวขาดศีลข้อไหนบอกใช่ไหมโยมารักษาศีลหรือรักษาข้อรักษาข้อเพราะว่าตัวศีลคือตัวว่าเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกรมศีลศีลนี่เป็นกุศลนะศีลนี่เป็นตัวกุศลเรารักษากุศลและเจตนานั้นได้ดีไหม ที่เรียกว่าไม่ขาดเลยไม่ใช่ขาดไปทุกอย่างเออเขาฆ่าที่โ น, น่นเออดีดีมันตายเท่าใดก็ดีอย่างสมัยนี้เขาร่วมช่วยฆ่าพวกฆ่ายาบ้างั้นนะนะก็เลยดีดี ด, ดีตายเท่าใดก็ดีเนี่ยแหละได้แล้วคก็ตายกี่คนก็มีส่วนเท่านั้นแหละนะนะมันก็บาปไปแล้วนะศีลขาดไปแล้วเนอะที่ไปร่วมยินดีกับผู้ที่เขาทําบาปนะนะก็มีส่วนได้บาปไปขอแบ่งบาปมาแล้ว เ น, αι, น αι. ี่ยนเพราะฉะนั้นการที่เราไปศีลดเนี่ยนะเขาแบ่งเป็นหนึ่งถ้าเป็นทุศเสียเองชั่วด้วยตัวเองสองใ ช, อใช้ให้คนอื่นทําชั่วสามสันเสริญความชั่วสรรเสริญการฆ่าเป็นต้นเนี่ยนะสยินดีเมื่อผู้อื่นก็ทําชั่วเออดีดีดี ด, ดีเป็นต้นเนี่ยนะฆ่าก็ได้ก็ดีเป็นต้นเนี่ยก็ของใครก็ของใครแล้วันนก็ไปขอเอี่ยวเข้ามาทุกเรื่องเลยนะที่ไม่ใช่บุญนะ ไปขอแบ่งเข้ามาไปขอแบ่งส่วนบาปเข้ามาเรื่อยเรื่ยเื่อยเรืยพราะนั้นพวกนี้นี่ศีลไม่ดีเพราะเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอะวีติกรมะศีลเหล่านี้ไม่ดีศีลเหล่านี้ชื่อว่าศีลที่ขาดแล้วนั่นแหละหรือถ้าบางทีก็ศีลที่ทะลุทะลุตรงกลางเลยก็มีบางคนก็เป็นศีลที่พร้อย ก็สังเกตจากอะไรก็กุศลจิตมันก็ร่องกระเร่งกระรุ่มกระริ่งนั่นแหละลักษณะของผู้ศีลไม่ค่อยดียนะนะกุศลติดติดระดับเดี๋ยวก็กุศลเดียวก็กว่ากุศลแต่โดยมากกุศลนี่มันเล่นงานมากพวกนี้เรียกว่าศีลพร้อยผู้ที่รักษาศีลดีที่สามารถระลึกถึงตัวเองได้ว่าศีลทั้งหลายของเราเหล่านี้ไม่ขาดเนอศีลของเราเหล่านี้ไม่ทะลุไม่ดาง ไม่พร้อยเป็นศีลที่ประเสริฐอย่างแท้จริงเป็นศีลที่สะอาดหมดจดนะมั่นใจในเจตนาที่เรารักษานะว่าสะอาดหมดจดอย่างแท้จริงคิดง่ายๆว่าสะอาดพอที่จะไหว้ตัวเองได้หรือไม่นะนะก้มลงกราบตัวเองได้ไหมถ้าเป็นคนอีกคนหนึ่งบ่าโอ้ยคนดีเหลือเกินเม่ก็คุณเอ้ยทำไมคนดีพอ่อทําไมเป็นคนดีจริงๆพ่อกราบตัวเองหน่อยสิ ถ้าแน่จริงก็กราบตัวเองได้ไหว้ตัวเองได้เคารพตัวเองได้คนที่ศีลดีจะไม่ตําหนิตัวเองถ้าเคารพตัวเองจริงๆเขาจะไม่ตําหนิตัวเองไม่ตําหนิตัวเองกัยกตัวนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนแต่ขนาดเดียวกันก็ไม่ใช่เป็นคนยกตัวนะเมื่อไรยกตัวขณะนั้นก็ศีนทะลุไปแล้วนะถ้าเราว่าศีนเหล่านั้นเนี่ยไม่ดีแล้วนะศีนแล้วเศร้าหมองแล้ว ศีลในเศร้าหมองจริงๆเป็นสังกิเลต ข, ของศีลก็ไม่ใช่เป็นผู้ยกตัวแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ดูหมินตัวเองแล้วก็ศีลเหล่านี้เนี่ยนะพระอารียเจ้าทั้งหลายท่านพอใจท่านเห็นด้วยพระพุทธเจ้าก็ชมเออเธอนี่ศีลดีนะเธอนี่ไม่ตาหนิตัวเธอเองโดยศีลใช่หรือไม่ดันนพระองค์เนี่ยพิจารณาแล้วจึงถามคำนี้ขึ้นมาเธอไม่ตาหนิตัวเองโดยศีลใช่หรือไม่ ภาษารีบุรใคร่ครวนเสร็จแล้วบอกว่าเออเนี่ยเธอรักษาศีลได้ดีเธอไม่ต้องตำหนิตัวเองหรอกเธอไม่ต้องลำบากใจหรอกเนะี่ยพระพาริยเจ้าทั้งหลายท่านพอใจท่านอนุโมทนา่าษาทุศีลท่านดีแล้วของเรานี่อนุโมทนากับตัวเองได้ลงหรือยังนะถ้าใครทำลงนะก็อนุโมทนาด้วยนะท่านผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแต่ถ้าใครที่เข้าใจตัวเองผิดก็ขอแสดงความการุณาด้วย เพราะท่านพกกระดาษหนะังสือพิมพ์เต็มกระเป๋าท่านก็นกึนกว่าท่านพกแบงก์อยู่นะก็นึกว่าจะไปค้าขายอะไรได้้ายกิโลสิ <c oughs> ก็ได้เท่านั้นแหะทังคอนเส้นไม่ดีก็นึกว่าศีลตัวเองมีเยอะแยะไปหมดเลยมีเป็นปึกๆว่างั้นทั้งทั้งที่ไหนได้โกรธก็เท่านั้นโลภ ก, ก็เท่านั้นเขลาก็ตาล์มนั้นเลยนะมันจะไปศี้นข้อไหนมีไห้เส้นคือความโลภศี้นคือความกโกรธศี้นคือความหลงงมงายไม่มีไม่มีแต่แต่ข้อเดียวเพราะเจตสิกเส้นนี่เป็นชื่อของปัญญา ัานศีลของผู้ที่รักษาดีแล้วเนี่ยนะพระอริยะทั้งหลายท่านพอใจเป็นศีลที่เป็นอิสระไม่ถูกตันหาครอบงำอนะไม่ใช่รักษาศีลแบบคนรักษาศีลที่ถูกตันหาครอบงำเนี่ยนะเป็นศีลประเภทไหนเเป็นศีลประเภทเอาศีลมาค้าขายศีลมาค้าขายในี่คาอะไรก็คือรักษาศีลซาทุ่ด้วยผลของศีลนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้อะไรบ้างไ สรุปว่าได้มหาพูดบังงั้นเถอะรวมเบ็ดเสร็จแล้วเขาขอให้สมบูรณ์ด้วยมหาพูดเยอะๆเนี่ยนะบทภาษาปรมัตดนิดหน่อยเนะนะี่ยนะขอให้มากไปด้วยมหาพูดมากไปด้วยรูปประขันเป็นต้นเนี่ยนะพวกตั้งความปรารถนาเหล่านี้ศีลเหล่านี้ไม่เป็นอิสระนะเปรียบเหมือนอย่างว่าด้วยผลแห่งศีลนี้ขอให้ข้าพาเจ้าเป็นเจ้าของป่าช้าสัก20ป่าช้าผีดุๆเฮี้ยนๆอย่างเงี้ยนะสนใจไหม แล้วก็เดือดร้อนกลับมานั่นแหละพราะศีลเหล่านี้ถือว่าไม่เป็นอิสระนะเป็นศีลที่เป็นธาตุของตันหาเป็นศีลที่เป็นธาตุของมิจฉาทิฐิเพราะศีลของบางคนเนี่ยเป็นธาตุของตันหาตันหามันเสี่ยมสอนด้วยผลแห่งศีลนี้ขอให้มีรูปเยอะๆมีเสียงเยอะๆมีกลิ่นเยอะๆมีรสเยอะๆได้รับโพธาภาที่เยอะๆเป็นต้นตันหามันสอนเอาสอนสาวสอนเอาเนี่ยนะก็เลยเป็นที่ข้าของตันหา ตันหามันจะพาให้ทำอะไรก็เอาหมดแหละเหมือนนเหล่านี้ไม่เป็นอิสระเนี่ยนะไม่ใช่สินของเสรีชนเป็นสีลที่มีบ่วงคือตันหาคล้องเอาไว้เป็นสีลที่ถูกบ่วงคือทิฏฐิคล้องเอาไว้แต่ผู้ที่ศีลดีเนี่ยนะละลึกเสร็จแล้วก็บอกศีลของเรานี่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดงังไม่พร้อยไม่ลายพร้อยเป็นศีลที่สะอาดพระอริยเจ้าท่านพิจารณาแล้วท่านยังพอใจ ศีลของเราที่รักษาไม่ได้เป็นธาตุของตันหาแต่รักษาศีลเพื่อกําจัดตันหาเนี่ยนะรักษาศีลเพื่อกําจัดตันหาเป็นศีลที่วินยูชนสรรเสริญแล้วในเนี่ยในศีลานุสติในเทศแม้แต่ในวิสุทธิมรรคบอกว่าศีลของเรานะสมัยใหม่เขาชอบไปรักษาศีลคนอื่นเนี่ยนะ แปลกว่าเออคนนั้นทำไมศีลไม่ดีคนนี้ใช้ไม่ได้ไปเที่ยวรักษาศีลให้คนอื่นเขาทั่วไปหมดเลยทีนี้ไปเห็นแต่คนอื่นเขาทู่มศีลไปหมดตัวเองไม่รู้ใครเสียศีลมากก่าใครก็ไม่ทราบเนี่ยนะแต่ช่วยรักษาศีลให้คนอื่นห่วงคนอื่นเลอะเกินกลัวคนอื่นเขาจะเสียศีลกลัวคนอื่นเขาจะขาดศีลนะกลัวว่าโรคกลัวคนอื่นขาดศีลเนี่ยนะเป็นโรคสมัยใหม่ที่ผู้ศึกษาธรรมะกาลังเป็นกําลังระบาดกันไม่ใช่น้อยแปลกนะเออไปเที่ยวรักษาศีลคนอื่นกลัวคนอื่นเขาจะศีลขาด ัคนอื่นเขาจะศีลด่างกลัวคนอื่นเขาจะศีนพร้อยของเราช่างมันเถอะคำว่างันนะนะอยกให้แต่คนอื่นเขาได้ดีก็พอใจแล้วกั้นขอให้เขาได้ดีเถอะเนี่ยนะแต่แม่มันเลวเหลือเกินเนี่ยนะทำไมไม่ดีอย่างใจฉันนึกเลยย่งเงก็เลยเที่ยวรักษาศีลให้คนอื่นนะคนที่รักษาศีนให้คนอื่นก็เหมือนกับว่าไปเที่ยวรักษาบ้านให้คนอื่นนะไปช่วยกวาดบ้านให้คนอื่นเขาอยู่นั่นแหละนะเขาไปช่วยจัดข้าวของให้บ้านของคนอื่น โดยที่บ้านนั้นเราอาจจะไม่ใช่บ้านญาติของเราด้วยซ้ำไปเราไม่รู้จักเขาดีเลยแต่เราไปช่วยจัดบ้านให้คนอื่นถามว่าเขาจะชอพอใจไหมแล้วเราเองล่ะถ้าใครมาช่วยรักษาศีลให้เราเอาไหมพอใจไหมเหมือนอย่างว่าเนี่ยถ้าถ้าเป็นคนชอบแต่งตัวให้คนอื่นเนะ ทำไมแกใช้เสื้อแบบนี้มาเนี่ยมาฟังธรรมคุณต้องใส่เสื้อแบบนี้สิมาใส่อย่างนี้ไนดะ้ยังไงจะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนั้นคุณนั่ ง, น, งนั่งเอียงนะั่งยังไงต้องนั่งตรงๆสิเดี๋ยวหลังเสียหมดเนี่ยนะไปช่วยจัดเสื้อผ้าให้เขาจัดกิริยามารยาทนั่งอย่าคอพับคอเอียงเดี๋ยวจะเวเรา โ, โสารพัด ท, ที่จะบรรยายสงสารคนอื่นมากไปจัดการคนอื่นเขาทุกเรื่องวุ่นวายไปทุกกระเบียดนิ้วไปเลยเนี่ยนะคิดหรือว่าคนอื่นเขาพอใจเราเองก็เหมือนกันใครมาจัดเราเราก็ ลำบากใจเราไปจัดคนอื่นคนอื่นเขาก็ลำบากใจถ้าศีลเนี่ยนะศีลอยู่ที่ใครศีลของใครผู้นั้นก็จงรักษาของตัวเองเธอรัรกษาศีลของเราให้มันปลอดภัยตั้งใจรักษาอริยทรัพย์ของเราเธอศีลนี่เป็นทรัพย์ของเราถ้าเรามาคิดให้ดีๆเนี่ยคนที่ศีลดีแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยทาไมเราไม่ไปชมท่านท่านไม่มีเสียศีลอยู่แม้แต่ข้อเดียว ภาษารียบบทพระโมกขลานะพระมหากัะสปะพระนุรุทธะพระมหากัจยานะพระนนทนะพระมหาเทระแปดสิบรูปเทรีพระเทรีทั้งหลายท่านเหล่านั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลถ้าเราจะหาคนศีลสมบูรณ์ติเต็มเปี่ยมเลยต้องหาจากพระพุทธเจ้าพระปเจกพระพุทธเจ้าพระอริยสาวกขเจ้าเหล่านั้นส่วนปุถุชนคนมีกิเลสทั้งหลายเวลาราคาเกิดศีลมันก็ขาดเพราะราคาไม่ใช่ศีลใช่ไหม พอโทสะเกิดศีลก็ขาดเพราะโทสะไม่ใช่ศีลพอโมหะเกิดศีลก็ขาดเพราะโมหะไม่ใช่ศีลพัน้าเห็นคนอื่นเขาศีลไม่ดีคือเป็นวัตถุแห่งกรุณาขณะเดียวกันก็จะได้สังวรว่าเออศีลของเราเป็นยังไงบ้างหนอศีลของเราเป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยนะก็ก็เหมือนกับว่าเห็นคนอื่นเขาป่วยก็เลยไปไปช่วยเขาป่วยด้วยเห็นคนอื่นเขาป ว, ปป ว, าปวดว ห, นนปวหัวก็เลยไปช่วยเขาปวดด้วยเนี่ยนะช่วยสําเร็จไหม ชั้นใดก็ดีในโลกนี้ลักษณะนั้นมันคนที่ศึกษาพระธรรมไม่ดีชอบไปรักษาศีลให้คนอื่นนะไปช่วยรักษาศีลให้คนอื่นก็เลยเดือดร้อนในพระไตริดกมีนักกายกรรมสองคนเป็นคนวันณะจันทาน์น้องเล่นกายกรรมเพื่อรับจ้างรายวัน <c oughs> ก็เหมือนการแสดงโชว์ทั่วๆไปเป็นการแสดงโชว์แบบห้อยโหน ซึ่งมันอันตรายมากใช้ไม้ไผ่สูงเป็นหกสิบซอกเลยนะไม้ไผ่ประมาณสามสิบเมตรมีการกระโดดมีการตีลังกาเป็นต้นพ่อกับลูกก็เป็นนักตีลังกาด้วยกันนะแสดงเพื่อจะรับจ้างเลี้ยงชีพไปวันวันหนึง่งมีอยู่ครั้งหนึ่งผู้เป็นพ่อก็บอกผู้เป็นลู ก, กว่าลูกเอ้ยลูกช่วยรักษาพ่อด้วยนะ น, นะถ้าลูกรักษาพ่อเราก็มาเล่นกายกรรมประกอบอาชีพร่วมกัน เราก็จะได้รับค่าจ้างจากการแสดงเหล่านี้เพื่อมาเลี้ยงตนและครอบครัวเพราะฉะนั้นขอให้ลูกช่วยรักษาพ่อด้วยกันลวกันลูกก็ตอบว่าพ่อเอ้ยพ่อก็รักษาพ่อนั่นแหละผมจะรักษาผมเองนะถ้าพ่อรักษาพ่อผมก็รักษาผมแล้วเรามาประกอบอาชีพกันเราก็จะเลี้ยงชีวิตไปด้วยกันถามว่าในสองคนนียพ่อกับลูกใครผู้ถูกนะในสายตาพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่า ผู้เป็นลูกนี่ผู้ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นให้ทุกคนพยายามรักษาตัวเองพระพุทธเจ้าสอนว่าให้รักษาตัวเองในการสามด้วยนะรักษาในการสามหมายถึงว่าการที่เป็นปฐมวัยการที่เป็นมัชชิมะวัยการที่เป็นปชิมมวัยรักษาตัวรักษาใจให้ปลอดภัยในการสามรักษาไม่ให้เป็นบาปเป็นไปกับบาปและอกุศล คือถ้าหากว่าทุกคนพยายามที่จะทำแบบนั้นสงวนกายกรรมสงวนวจีกรรมสงวนมโนกรรมคำว่าสงวนกับสังวรอันเดียวกันนีสงวนรักษากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมได้โอกาสแนะนำตักเตือนก็ว่าไปตามหน้าที่ไปนะว่าเกี่ยวข้องกันในลักษณะใดาก็ช่วยๆกันไปตามตามสิ่งที่เหมาะสมตามสิ่งที่สมควรไม่ใช่มีปกติรักษาศีลให้คนอื่น นะครับถ้ารักษาศีลให้คนอื่นแล้วคนรักษานี่แหละจะเดือดร้อนเหมือนว่าอย่างว่าอันนี้เหมือนอย่างว่าอะไรเหมือนอย่างว่าอยู่ที่นี่แต่ว่าใจเนี่ยไปรักษาคนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลถามว่าคิดว่าจะมีความสุขไหมกายก็อยู่ที่บ้านนี่แหละแต่ใจไปรักษาแต่คนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลที่กําลังเดือดร้อนอยู่เหมัอนคนที่นึกอย่างนี้ก็ต้อง เดือดร้อนเพราะฉะนั้นพยายามรักษากายวาจาและใจของเราให้ดีเถอะตรงนี้เป็นสมบัติของเราจริงๆเพราะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นอะไรเป็นภพใช่ไหมภพทำให้มีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรา ม, มรณะเป็นต้นภพคือศีลของเราเนี่ยนะภพเนี่ยเป็นศีลนี่ยังถือว่าเป็นภพอยู่นะถ้าไม่บรรลุมรรคผลผนิพพานเพราะศีลก็ยังนําเกิดอยู่ความทุศีลก็คือ กรรมมพที่นำไปสู่อบายความมีศีลก็เป็นกรรมพบที่นำไปสู่สุขติโลกสวรรค์เนี่ยนะศีลนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนนะเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อกาจัดตัณหาที่นี้ในเบื้องต้นเนี่ยนะคนที่รักษาศีลควรตั้งความปรารถนาว่ากุศลศีลเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อเพื่ออะไร เพื่อทําที่สุดแห่งทุกเถรถ้าเราสังเกตให้ดีนั้นเวลาที่เราสมาทานศีลจากพระภิกษุเป็นต้นเนี่ยท่านจะบอกว่าสีเลนะสุขติันติเจตนาศีลเป็นต้นที่ท่านรักษาเจตนาตัวนี้ทําให้ท่านเกิดในสุขตินะศีเลนะโภคสัมปทาถ้าท่านตั้งมั่นอยู่ในศีลประกอบอาชีพด้วยความไม่ประมาทเป็นต้นท่านจะมีโภคสัพย์ ศีเลนะีนผู้ติยนติศีลเหล่านี้เป็นบาปให้บรรลุมรรคผลนิพพานผู้มีปัญญารู้อ น, นิสงค์โดยย่อของศีเช่นนี้แล้วพึงชำระศีลให้สะอาดพึงชำระศีลให้หมดจดรักษาเจตชำระเจตนาศีลชำระเจตเกสกศีลชำระสังวรและอวีติกรมะแต่ก็มีบางคนมีปกติสีขาดมันขาดบ่อยๆก็อย่าไปสม า, ม า, สม า, านมาสมาทานมันเลย ดีไหมเอ้าก็มันขาดบ่อยสมาทานก็ขาดสมาทานก็ขาดอย่าไปสมาทานมันเลยเนี่ยเสียธรรมะธรมโมเขาหมดแล้วกว่ากันเลิกเลิกเลิกไปออย่างนี้ไหมดีไหมก็เหมือนอย่างว่าอุ้ยทำงานมาได้ได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมดทําได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมดอย่าไปทํามาเลยงานก็ทํามาก็ใช้เหมือนเดิมนาอย่าไปทําเลยข้าวอย่าไปหามาเลยได้มาก็ทานทิ้งหมดอย่าไปหามันเลยอะไรองนี้ดีไหม ไม่ดีนะเข้าใจผิดแล้วเพราะฉะนั้นพยายามหมั่นสมาทานรักษาเธอมันจะขาดบ้างจะอะไรบ้างก็ดีแล้วที่ได้มีโอกาสสมาทานข้อเลวไม่ใช่ตรงสมาทานแต่ข้อเลวคือตรงที่ขาดเพราะฉะนั้นถ้าทำยังไงอย่าได้ขาดล่ะแต่การสมาทานนั้นควรสมาทานควรเบื่อไม่ที่จะสมาทานศีลไม่ควรเบื่อถามว่าต้องต้องสมาทานศีลต้องชาระศีล น, นึกถึงศีลเนี่ยแค่ไหนแค่ไหน ต้องบ่อยแค่ไหนดีบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าศีลเนี่ยให้มันมั่นคงเหมือนแผ่นดินให้มันมากเท่ากับแผ่นดินนั่นแหละให้มันเยอะแบบนั้นนั่นแหละไปนะแห่งหนตนาําบลใดที่ไหนก็มีแต่แผ่นดินใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงเปรียบศีลประดุษแผ่นดินเพราะฉะนั้นให้มันมากเท่านั้นทุกขนทุกแห่งแต่ถามจริงจริงอะในโลกนี้แผ่นดินตรงไหนที่คนไม่ทุศีลมีไหมไม่มีแล้วศีลจะไปสมาทานที่ไหนล่ะก็สมาทาน ท, ที่ที่มันทุศีลได้นั่นแหละ นะก็ต้องทุกแห่งต้องเป็นที่ตั้งแห่งศีนของเราให้หมดถ้าเราไปทะลุตรงไหนนะโอยประตูนรกมันแหวกเปิดอยู่ตรงนั้นเลยนะเนี่นะมันรั่วตรงไหนแผ่นดินมันร้าวตรงนั้นแหละเคยเห็นแผ่นดินสูบไหมนั่นแหละลักษณะที่ไหนสีนขาดแผ่นดินตรงไหนสีนขาดแผ่นดินได้แยกไว้สู่เราตรงนั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าเผลอไปตกแถวนั้นก็แล้วกันนะนี่ยนะถ้าตกแถวนั้นก็ไม่ดีแน่มันสมรทานบ่อยๆเธอ สมาทานให้ปฏิสถานให้ตั้งมั่นดุดแผ่นดินที่ตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นคนที่รักษาศีลดีๆเนี่ยนะพระเทระรูปหนึ่งท่านชื่อว่าศีละวะศีละวะในศีละวะเทระคาถาะะเนี่ยนะสีลวะก็แปลว่าพระเทระผู้มีศีลเป็นพระเทระที่รักศีลมากเห็นคุณค่าของศีลที่จริงพระเทระทุรูปอื่นๆทั้งหมดท่านก็เป็นผู้ที่ รักษาศีลแต่พระเทเรรูปนี้ท่านยกย่องเรื่องศีลเป็นพิเศษว่าท่านทั้งหลายพึงศึกษาศีลในพระศาสนานี่แหละคือในพระพุทธศาสนาในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยว่าศีลที่บุคคลศึกษาดีแล้วหมายว่าศีลที่บุคคลตั้งใจรักษาให้มีในกายวาจาใจเนี่บยบ่อยๆแล้วสั่งสมดีแล้วย่อมนำสมบัติมาให้ในโลกนี้อะไร สมบัติในโลกนี้เป็นสมบัติของผู้มีศีลเนไหมเพราะว่าของของดีๆทั้งหลายเนี่ยเขาเอาไว้รอรับผู้มีศีลผู้มีศีลทั้งหลายก็จะได้ใช้ได้บริโภคสิ่งเหล่านั้นเช่นเครื่องประดับทั้งหลายถามในโลกนี้ใครมีเครื่องประดับมากที่สุดพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีพระทองเป็นตันๆ น, นะห ล, หลายสิบตันด้วยเอาเข้าทองไปหุ้มพระเจดียหุ้มอะไรในโลกนี้ใครมีทองมากพระพุทธเจ้ า, น, านี่นะ พระพุทธเจ้ามีทองมากที่สุดมีเพชรมากที่สุดมีพลอยมากที่สุดมีแผ่นดินใหญ่ที่สุดเป็นต้นเนี่ยนะคใครจะมีสินนะพระพุทธเจ้าเพราะนั้นใครที่มีศินดีจริงๆเนี่ยนะผู้นั้นเนี่ยจะได้สมบัติทั้งปวงในโลกนี้นักปราศคือผู้มีปัญญาเมื่อปรารถนาความสุขสามประการ้าอยากได้ความสุขสุขหนึ่งที่เกิดจากการสรรเสริญความสุขที่เกิดจากความปราบปลื่มใจ ความบันเทิงในสวรรค์เมื่อตายไปแล้วสู่สุคติโลกสวรรค์เมื่อตายจากโลกนี้แล้วเพึงรักษาศีลเนี่ยนะเพราะศีลเนี่ยเป็นเหตุให้ไปสู่สวรรค์นะเจตนาศีลนี่แหละคือเจตนาที่นำไปสู่สุคติโลกสวรรค์ใครที่ไม่รักถ้าใครแต่รักษาแต่หัวข้อหนึ่งสองสามสี่ห้านะไม่แน่นะนอาจจะไปสวรรค์หรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ถ้ารักษาคือตัวเจตนาศีลเจตนาตัวนั้นนั่นแหละจะพาเข้าไปสู่สวรรค์เมื่อตายไป เพราะว่าผู้มีศีลมีความสำรวมปกติคนมีศีลจะมีมิตรมากเครื่องหมายอย่างหนึ่งของผู้มีศีลคือเป็นคนไม่มักโกรธเนี่ยนะพันผู้มีศีลนี่จะมีเพื่อนมากคนรู้จักเยอะส่วนผู้ทุศีลประพฤติแตกกรรมอันชั่วช้ากรรมที่เป็นบาปทางกายวาจาใจเนี่ยย่อมแตกจากมิตรนรชนคนผู้ทุศีลย่อมได้รับการติเตียน นะถูกด่าทั้งชาติตอะไรประมนันแล้วก็เสียชื่อเสียงนี่นะก็เหมือนว่าเสียชื่อเสียงก็เหมือนว่าโชยแต่กลิ่นเหม็นออกไปนะตรงกันข้ามกับผู้มีศีลย่อมได้รับการสรรเสริญและมีชื่อเสียงทุกเมื่อศีลท่านบอกว่าเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นของอะไรเบื้องต้นของอริยมรรคเป็นที่ตั้งที่ทำให้เกิดอริยมรรคอนนี้ เป็นบ่อกเกิดแห่งคุณงามความดีทั้งหลายมีฌานอภิน ญ, ญาเป็นต้นถ้าไม่มีศีลเนี่ยนะฌานเป็นต้นเป็นไปไม่ได้หรอกศีลเนี่ยเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงศีลเนี่ยเป็นประธานนะพุทธศาสนายกให้ศีล น, นี่เป็นเป็นประธานของทุกเรื่องเพราะฉะนั้นพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์สังวรศีลเห็นไศีลมีห้าอย่างกัน ห, หนึ่ง เจตนาศีลสองเจตสิกศีลสสังวรศีลสี่อวีติกรมศีลสังวรศีลเนี่ยเป็นเครื่องกั้นความชั่วศีละสังวร น, นี่กั้นความชั่วทางกายวาจาอินทรีย์สังวรกั้นความชั่วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจน น, นสติสังวรกัน้นก็อินทรีสังวรนันเดียวกันญาณสังวรกัน้นอวิชชาขันติสังวรกัน้นความโกรธวิริยะสังวรกัน้น อกุศลวิตตกเป็นต้นเนะี่นะฟันสังวรศีลเป็นเครื่องกั้นทุจริตเป็นสิ่งที่ทำให้จิตร่าเริงจิตใดที่เศร้าหมองจิตนั้นแปลว่าพื้นฐานจากศีลไม่ดีถ้าจิตใจร่าเริงก็แปลว่าศีลดีเห็นไหร่าเริงเนีมม่ยหมายความว่าระลึกเหมือนกับว่าคนที่ตรวจดูร่างกายร่างกายไม่มีแผลก็ไม่เจ็บปวดฉันใดผู้ที่ตรวจสอบพฤติกรรมคาพูด ทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วไม่กินแหงแขงใจตัวเองเนี่ยนะใจมันจะร่าเริงศีลน้เชื่อว่าเป็นที่อย่างลงสู่มหาสมุทรคือพระนิพพานของพระพุทธเจ้าทั้งปวงเพราะฉะนั้นผู้มีศีลเนี่ยนะที่ใดที่ผู้มีศีลอยู่ที่นั่นสามารถเป็นที่บรรลุมรรคผลได้อย่างบางอย่างบางแห่งในประเทศศรีลังกาท่านบอกว่าอาสนะทุกอาสนะที่พระภิกษุฉันเน่ยนะ เป็นที่ท่านเคยนั่งบรรลุเป็นมรรคผลกันแล้วงั้นนะขณะเดียวกันถามว่าถ้าประเทศอินเดียเนี่ยอากาศตรงไหนที่ไม่มีผู้บรรลุมรรคผลอย่าว่าแผ่นดินเลยแบบันเถอะอากาศทุกอากาศเนี่ยนะทุกแทบจะทุ ก, ท ก, ท ก, ทกอนูเนี่ยเคยมีผู้บรรลุมรรคผลอยู่ตรงนั้นเนี่ยแผ่นดินสาวัถีเนี่ยนะไม่ใช่ไ น, น้อยนะผู้บรรลุมรรคผลเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปหมดเลย ข้ออะไรเพราะว่าเวลาพระองค์แสดงคำบางสูตรเทวดา ม, มาในรัศมีเป็นโยดอ่ะ น, นะเข้ามานั่งบนอากาศบ้างที่แผ่นดินบ้างตรัสรู้ผลมากมายเนี่ยนะเหลือแต่พวกเรานี่แหละแสดงว่า ก, ก่อนหนะ้านั้นศีลไม่ค่อยดีนะก็ได้เธอรู้แล้วว่าตอนนั้นไม่ค่อยดีเอาใหม่เอาใหม่หมก็สมาทานใหม่ก็แล้วกันนะีหรือเราเนี่ยอุ้ยเราต้องดีอย่างเดียวแน่ใจนะมันมีดีอยู่คนละฝักแค่นะั้นแหละใช่ไหมน้ําดีไง ปิดตังน้ําดีก็มีดีอยู่ตรงนั้นนะ่ะนะเชื่ออยู่หรอกแต่ว่าไอ้ความดีทางกายวาจานี่ไม่ค่อยแน่ใจเนะดีอะไรเดี๋ยวก็ว่าคนนั้นทีเดี๋ยวก็ดุคนนี้ทีเดี๋ยวก็โกรธทีหลายๆโกรธทีอย่างเง้ย น, นะแต่มันว่าเมื่อรดที่โลภโกรธหลงก็ไม่ใช่ศีลนศีลคือความไม่โลภไม่โกรธไม่ไม่หลงตัวเองโกรธก็ยังบอกว่าตัวเองดีอีกนะนะั่นแหละดีตรงไหนดีมันซ่านนะสิจนะว่าเงี้เพราะศีลเนี่ยนะเป็นที่ยั่งลงที่ทําให้บรรลุ พระนิพพานมันถ้าผู้ใดสามารถสมาทานศีลชำระศีลได้ที่ใดที่นั้นก็พร้อมที่จะเป็นที่บรรลุพระนิพพานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์ศีลนี่เป็นกําลังหาที่เปรียบมิได้ไม่มีกําลังใดเสมอด้วยกําลังศีล น, นะเพราะผู้ที่มีกําลังคือศีลจะทําให้พ้นจากทุกได้ศีลนี่เป็นอาวุธที่สูงที่สุดเนี่ยนะที่ประหารกิเลสได้อาวุธอย่างอื่นนะประหารแต่ชีวิตคนอื่นได้ แต่ประหารกิเลสในใจตัวเองไม่ได้ไม่สามารถฆ่ากิเลสในใจได้แต่อาวุธคือศีลเชื้อคอกิเลสได้นะตัดฉันทราคะได้ตัดราคะตัดโทสะตัดโมหะริสยามานะทิฏฐิกิเลสสารพัดทุกชนิดสารพัดความชั่วร้ายเลวทรามศีลเนี่ยตัดได้หมดเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นอาวุธพิเศษเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าท่านประทานให้ และขณะเดียวกันเครื่องประดับที่งามที่สุดในโลกนี้คือศีลก็ลองไม่เชื่อแต่งตัวโอ้ oh, เอาเพชรมาประดับเอาพลอยมาประดับเอาทอง ม, มาประดับคนผู้ศีลดูที่มาประดับเพชรจะกาศดูถามว่ามันจะงามไหมเอาทองคำเนี่ยมาประดับเพชรจักาดเนี่ยนะถามว่ามันน่าชมไหมไ ม, ม่น่าชมเพราะฉนนั้เครื่องประดับที่งามที่สุดที่คนใฝ่หาจริงๆคือเครื่องประดับคือศีลเพราะศีลเนี่ยเป็นอาภร์เครื่องประดับ ที่งดงามที่สุดเนยนะแล้วก็เป็นเกราะที่น่าอัศจรรย์เกราะอย่างเอินนะย่างมากเกราะทั่วๆไปป้องกันกระสุนได้ใช่ไหมแต่โดยมากเกราะหลายส่วนก็ป้องกันระเบิดไม่ได้นะแล้วเกราะอีกหลายอย่างมันก็อาจจะป้องกันระเบิดได้แต่ป้องกันอบายไม่ได้นะเกราะหลายชนิดป้องกันอบายทุกปฏิวิณิบัตินรกเป็นต้นไม่ได้เลยแต่ซีเนี่ยกำบังอับายได้เอาสิเป็นเกราะที่แหมอุ้มป้องกันไม่ให้ตกไปในอบายทุกปฏิวิณิบาต ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยนะป้องกันไม่ให้ตกไปในท้องของเบรฉ า, านเป็นต้นเนะี่ยนะรักษาเราเนั้นเกราะที่ดีเท่าศีลไม่มีอีกแล้วเนะี่ยขณะเดียวกันเนี่ยนะถ้าเราจะข้ามน้าต้องใช้อะไรโดยรวมๆก็ใช้สะพานใช่ไหมข้ามน้ำคือกิเลสข้ามจากฝั่งโลกิยะไปถึงโล ก, กุตระได้จะเสมอด้วยศีลเป็นไม่มีศีลเนี่ยเป็นเหมือนสะพานข้ามจาก วัฏฏะไปสู่พระนิพพานข้ามไปถึงแดนที่ปราศจากภัยศีลนี้เป็นมหาอํานาจไม่มีอะไรจะมีอํานาจเท่ากับผู้มีศีลผู้มีศีนี่มีอํานาจที่สุดเพราะฉะนั้นผู้มีศีลดีจริงๆนี่จะมีอํานาจมากสํานวนว่าพ่อแม่ยังเกรงใจนะไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นคนมีศีลอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพรหมยังเกรงใจเหมือนนน่ยพรหมยังเคารพถ้ามีศีลระดับนั้นนะผัสผู้มีศีลเท่าไหร่ก็จะมีอํานาจเท่านั้นถ้าใครทูศีลอํานาจเริ่ม สะเทือนนะนะไม่แน่นอนอะไรเพราะฉะนั้นศีลนี้จึงเป็นมหาอํานาจที่ยิ่งใหญ่เป็นกลิ่นหอมอย่างยอดเยี่ยมกลิ่นในที่นี้ไม่ใช่กลิ่นตัวนะกลิ่นศีลกลิ่นศีลกับกลิ่นตัวคนละอย่างกันแยกให้ออกว่ากลิ่นยังไงนะก็หมายถึงกลิ่นศีลไม่ใช่กลิ่นตัวเนี่ยนะกลิ่นตัวเมื่อไรมันก็เหม็นทั้งนั้นแหละนเพราะอะไรนะเพราะก็กายเนี่ยภาษาธรรมมากเรียกกายเน่าอยู่แล้วล่ะจะผิวเหมือนทองก็คือกายเน่าอ่ะแต่ว่าไอ้คำว่ากลิ่นหอมในที่นี้หมายถึง กลิ่นศีลกลิ่นศีลนี่หอมเนนะอ้าวแล้วก็น้ําหอมก็หอมไม่ใช่หรือน้ําหอมมาทากายทิ้งไว้สักเจ็ดวันเนี่ยนะดูใหม่เันนี้หอมหรือเปล่าเมื่อไหไม่หอมได้ใช่ไหมนั้นกลิ่นที่มันหอมดีถาวอนอย่างกลิ่นศีลอย่างกลิ่นกลิ่นศีลของพระพุทธเจ้าหอมมาจนถึง ทุกวันเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเอาน้ําหอมไปบูชาพระเจดีย์แลลึกถึงกลิ่นศีลที่หอมของพระพุทธเจ้าบูชากลิ่นศีลของพระองค์เวลาโปรโยน้ําหอมพ่นน้าหอมที่เราทําทํากันอยู่นะที่ดอกไม้มีกลิ่นหอมเป็นต้นก็อาศัยของหอมเหล่านี้บูชากลิ่นศีลของพระพุทธเจ้าที่หอมเช่นนั้น